ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5มีนาคม2553มีชื่อเรื่องว่าหายทองคำเมื่อวานพอฉันจังหันเสร็จ หลวงพ่อก็ไปที่อำเภอนามสมไปเทศบาล น, นางัวที่เขาจะคัดเลือกนายกเทศมนตรีนางัวและก็สอทอด้วยวันที่ยี่สิบที่จะถึงคณะกรรมการรุ่นเก่าเขางคนิมนต์อยากจะให้หลวงพ่อไปพูดกับผู้ที่สมัครรุ่นใหม่อย่าไป เป็นคู่อริคู่ศัตรูกันเพราะเคยเห็นบ้านอื่นเขาก็มีปัญหากลัวบ้านเมืองของเราอยู่ใกล้เราเนี่ยกลัวจะมีปัญหาแต่ยังไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าก็เตียงให้หลวงพ่อไปช่วยพูดด้วยหลวงพ่อเขาเออถ้าหลวงพ่อไปพูดจะไม่เอาดึงหลวงพ่อเขาไปสู่การเมืองท้องถิน่นเหรอ แต่ถึงยังไงยังไงทําให้พอใจเดี๋ยวก็จะหาว่าหลวงพ่อเข้าข้างนุ่นข้างนี้อีกแต่หลวงพ่อไม่เข้าข้างไหนนะเข้าข้างที่ถูกต้องนั่นแหละเมื่อวานในหลวงพ่อก็เลยได้ไปพูดให้สื่อสัต์สุจริตให้เคารพกฎหมายเนอะการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนอย่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงตามที่เขาพูดนั่นแหละให้รู้แพ้รู้ชนะอ่า รู้ให้อภัยรู้รักสามัคคีถ้าพวกเราตายไปแล้วไม่มีใครอื่นจะมาหามพวกเราไปทิ้งนะพวกเราอยู่ใกล้กันนี่แหละหามกันไปทิ้งเวลาหาเสียงก็งเหมือนกันอย่าไปศาสตร์โคลนใส่กันอย่าไปเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาปักปั๊มกันให้เขารบกัน ได้หรือไม่ได้เป็นบุญวัดสนามบารมีเก่าถ้าเรามีบุญวัดสนามบารมีเก่าก็ใครคนนั่นแหละเป็นคนได้แต่คนไม่ได้ก็อเอ้าก็ยอมแพ้ไปให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเครื่องธรรมดานสามคนมือจะเอาต้องเอาคนหนึ่งแหะจะให้ได้ทั้งสามคนได้ยังไงมันต้องได้คนหนึ่งไอ้สองคนมันก็ต้องผิดหวังอ ทุกคนมันต้องเตรียมใจไว้อย่าไปคิดว่าชนะอย่างเดียวต้องเตรียมความผิดหวังไว้ด้วยโลกนีเมันโลกอนิจจังไม่ใช่ว่าลกโลกที่อยู่ตั้งใจยางไงได้อย่างนั้นไม่ใช่โลกอนิจจังของไม่เทียเ่ยงแต่ถ้าว่าพวกเราทำดีแล้วนะ่ะความดีแล้วนะ่ะจะคุ้มครองถ้าเราทำไม่ดีเทวดาก็ไม่ช่วย แต่ถ้าเราทำดีแล้วเทวดาช่วยนะหลวงพ่อจะพูดเล่านิทานให้ฟังเล่าเป็นเรื่องราวให้ฟังหลวงพ่อได้อ่านในธรรมจักสุกก็น่าฟังเหมือนกันนะเป็นนิทานถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนนิทานอิศกของเมืองไทยสมัยเก่านะแต่เขาว่าเป็นนิทานของอิศพม่าเหมือนกันอนะืม เขาก็สอนคนได้ดีเหมือนกันนะถ้าว่ามีบ้านหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งได้ลูกชายคนเดียวต่อมาพ่อก็จากไปต่อมาลูกชายก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ทํางานทั้งในบ้านนอกบ้านกลับมาก็หงุงหาอาหารเลี้ยงแม่ออกไปแต่กัไปทําไร่ทํานาทํารัว้วทําสวนแม่เลยก็เออถ้าหาว่า ลูกชายมีพัญญาซะมีลูกสะพ้ยก็คงจะมาดูแลบ้านให้ลูกชายก็ไปทำงานนอกบ้านก็คงจะสะดวกสบายขึ้นผู้แม่คิดอย่างนั้นเพื่อเะไร ไ, ไ, ไปหาลูกสะพ้ยแล้วก็แต่งงานกับลูกชายต่อมาลูกสะพ้ยนก็ดีพอมาต่อมาต่อมากแม่ยากกับลูกสะพ้ายเป็น ตั้งแต่ดึกจาบันมาแล้วมันมันเข้ากันไม่ค่อยได้ต่อมาก็จับผิดจับถูกแม่ผัวของตัวเองท่นี่เฮีหาว่าแม่ผัวกินมากด้วยพอกินมากแล้วยังไม่แล้วยังให้หมูหมากาไก่กินอีกยังไม่แล้วยังให้นกกินอีกอธรรมดาผู้เฒ่ามันก็ต้องมีเมตตาคนผู้คนแก่ก็ต้องมีเมตตามเออ ไม่เหมือนคนหนุเหมือนกันเถอะผู้เท่านี่กัแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังแจกนุ่มแจกนี่แต่ไม่ถูกใจกระลูกสะพ้ยกลูกสะพ้ยกลูกสะพยขี้เหนียวแต่เนี่ยไม่อยากจะให้แบ่งอขนาดไก่กินข้าวยังฆ่ามันแล้วยังผ่าเหนียงของมันเออเอามาอีกเหมือนกันเถอะเฮ้ยมันกินข้าวมันขโมยกินข้าวนะขนาดนั้นแหละกลูกสะพยมันขี้เหนียวเหมือนกันเถอะแต่แม่ย่านี่ยมันคนใจกว้าง คนใจกว้างกับคนขี้เหนียวนั้มันไม่เข้ากันไม่ได้เด้พออยู่ต่อมาต่อมาก็เอาอยัางไงเถะเนี่ยจับสอผัวแล้วเถะเนี่ยผัวสามีก็เ่ยจะทำยังไงแม่ตัวเองฮะผลในส่วก็เลยแฟนก็นเลยยื่นโนเต็ตเนี้เออ คุณจะเอาแม่และคุณจะเอาฉันเหมือนกันเอคุณจะเอาแม่และคุณจะเอาฉันเลยนะทั้งสามีเนี่ยก็อึ้ง<ม>แล้วเหมือนกันเถอแม่ก็แก่แล้วแฟนนี่ก็จะอยู่ด้วยกันนานก็ต้องเอาแฟนไว้ก่อนวะก็เลยสามีก็เลยบอกว่าจะให้ผมทำยังไงยอดที่รักผมวเด้ทั้งแฟนก่อนเสนอแน่แทันทีแล้ว ลูกสะพยเสนอเนี่ยจะไปยากอะไรเราทำท่าเข้าไปเก็บผักหักฟืนไปเก็บเห็ดแล้วก็มัดแม่ยาไว้ในปา่าแล้วก็เสือมากินแล้วก็จบเทนั้นไปหายากอะไรโอ้อใช่ได้ความเหมือนกันแต่นี้นก็ตกลงกันเลยท่น้หาโอกาสต่อมาต่อมาก็ชวนแม่ทั้งลูกสะพัยทั้งลูกชายแหละทั้งแม่ผัวเนาะ อะไปหาเก็บผักแม่แม่ก็อยากคนชอบป่าอยู่แล้วงั้นพอลูกชายลูกสะพายชวนนะ น, นั้นแหละผู้เท่าก็จินดีเลยงั้นะไปด้วยกันเข้าไปในป่าพอเขาไปในป่าลึกๆทนี้เอยเจตนาไม่ดีของลูกสะพายกับลูกชายมันมีอยู่แล้วเตรียมเชือกไปแล้วงั้นผลที่สือเอาผ้ามัดปากไม่ให้ร้องผลที่สือก็มัดแขนเสียต้นไม้ พอมัดแขนในต้นไม้เธเนี่ยกสองคนเขากลับมาบ้านแล้วทอนีอยพอกลับมาแล้ยก็เขาจะมันพราะเสือมันมากแถวนั้นอะ่ะทีนี้พอตกกลางคืนพอค่ำค่ำมาเสือก็ออกมาหากินแล้วธอเนี้ยพอเสือเห็นคนนะแล้วมันโจนเข้ามาพอโจนเข้ามาลุกขะเทวดาที่อยู่ต้นไม้เนี่ยเนยลุกขาเทวดานี่ถ้าเป็นศีลเป็นธรรมมันก็ปกป้องนะ้ะทารักใคร ทุกขเทวดาแสดงตนให้ปรากฏเ็งันใดยุดเสือเหนอข้าต้องพิสูจน์ก่อนว่าคนคนนี้เป็นคนดีไหมถ้าเป็นคนดีเธอกินไม่ได้นะ เ, เพราะความดีคุ้มคองเขาคุณงามความดีธรรมะต้องคุ้มคองคนดีถ้าว่าเธอกินคนดีเนี่ยบาปกรามติดภพติดชาติไม่ได้ผุดได้เกิดละแก่ เพราะนั้นเธอต้องหยุดซะก่อนข้าต้องพิสูจน์ซะก่อนว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่เสือก็หยุดจึกว่างั้นเถอะพอหยุดขึ้นมาลุกข่าเทยวด่าเลยกันได้ขนนกมาว่างั้นได้ได้ขนนกมากะแยงจมูกว่างั้นได้ธรรมดาลอลงๆแล้วเอาขนนกแยงจมูกตัวเองเป็นยังไงมันก็จามเลยใช่ไหมพอเอาขนนกแยงจมูกหัดช่ยพุทโธธรโมสังโฆสักคนแก่นะ คนวัดคนวานใช่ไหมคนวัดคนมาเวลาจามคือมากเกิดระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันหัดช่ยพุทธโทธธรรมโอสังคโฆกั <c oughs> แยงอีกแยงที่ไรกัพุทธโทธธรรมโอสังคโฆพลที่สุดลุกขะเทวดาบอกว่าเอ้ยเสือเธอกินไม่ได้หรอกคนนี้เป็นคนธรรมะธรรมโอเห็นไหมเวลาเขาจามแต่ละครั้งเขายังระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ คนมีคุณธรรมนะเธอไปกินไม่ได้หเธอถ้าเธอกินคนอย่างนี้เข้าไปเนะี่ยไม่รู้กี่พกกี่ชาติเธอจะต้องเป็นบาปเป็นกล้ำอีกนานเลยหยุดไม่ต้องกินไปหากินอย่างอื่นไปเสือก็เลยถอยหลังไปแต่ยายนี่ไม่เห็นลูกข่าเทวดานเห็นแต่เสือเหมือนกันเถอะเสือกระโดดเข้ามาก็ใจหายใจคว่แล้วมันจะมากินเหมือนนเถอะจากนั้นมันก็เลยล่าถอยไปเสือไม่มากิน ตอนนี้แกก็เห็นว่ามันเงียบแลยกัตาแกกักโกงจะเหนื่อยนะ่ะหลับหลับกายเชือกผูกว่างนะั้นโกงจะเป็นลูกค่ะเท ว, วดามั้งมาแก้เชือกให้เถอะ น, ะนอี่ตาแกก็เลยนอนกอดนอนกองกับพื้นนะพอสว่างตื่นขึ้นมาเห็นตาไหใบหนึ่งอยู่ปลายเท้างั้นเถอะเท ว, วดาก็เห็นสงสารยายแก่เป็นคนมีคุณธรรมควรจะเอาให้รางวัลเอาทองคํามาเป็นรางวัลตะแก และทองคำใส่ในไหพอแบกหนักๆเลยแล้วไงตะแก่ก็ลุกขึ้นมาเอ๊ะมันหอะไรเปิดดูเป็น เ, เป็นทองคำเป็นก้อนๆเป็นเม็ดๆทองคำเต็มตะแก่ก็ยกมือท่วมหัวสาธุสาธุสาธุเอนกันเออจากนั้นก็ได้ไหยทองคำแล้วก็ตะแก่ก็เดินออกมาเลยเดินออกมาหาทางออกบางคนมันรู้จักทางไปทางมาคนในดวง อข่าไม่ไปละตาไปหาลูกชายลูกสะใภเ้เดี๋ยวมันจะข่าเราอีกหนึ่งมันจะคิดข่าเราชัดๆแต่ข่าเนี่ยยายแกย่หนังเกี่ยวเนี่ก็ออกจากดงไปแหละไปกับไปไกลที่สุดว่างั้นเนี่ยพอไปถึงญาติพี่น้องห่างๆลเลยก็เลยเอาทองขายทองสร้างบ้านซื้อบ้านขอสร้างบ้านซื้อบ้านสะดวกสบายเลยทีนี่เอ้ เดีไอ้ลูกสะพยกับลูกชายนี่ยคอยฟังคงจะเงียบไปแล้วมั้งอ่ยายแก่คงตายแล้วยายแก่หนังเหี่ยวเนี่ยพกันลูกสะพ้ายผลที่สุดต่อมาได้ยินว่ายายแก่คนหนึ่งลูกชายลูกสะพ้ยเอาไปผูกไว้ในป่าบันนอกมันเสียงดังเร็วเอยไปผูกไว้ในป่าให้เสือกินยายก็เลยออกมาจากป่าก็ได้ไหทอง มากันเลยเนะี่ยมาขายทองแล้วก็ซื้อบ้านสร้างบ้านได้รับความสุขความสบายไม่ไปใกล้ลูกสะภ้ายลูกชายเลยอย่างเงี้ยห น, นีออกจากบ้านมาเอ๊ะกัน เ, ล, เ ล, ลูกสะพ้ยกับนั่นกันเลยเอ๊ะไม่ใช่แม่ของเราเหรอไปสอด ส, สองดูงสอย่างเงี้ก็เลยไปสอดส่องดูอ่างเงี้ยเดินทางไปไปสอบสืบสอบดูจริงไหมพอไปโอ้จริงจริงจรงว่ะ เออเราคิดว่าเราจะให้เสือกินกลับมาล่ำรวยอีกแต่นี่นก็กลับมาบ้านนะกลับมากับทางเมียของตัวเองดูกสะั้ายยายแกหนังเกี่ยวนั้นก็นบอกเออต้นต้นไม้ต้นนั้นคนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บงันขนาดเราเอาจะยายแก่ไปมัดแล้วแต่แกยังล่ำรวยให้ ให้ให้เธอเอาเอาฉันไปมัดใส่ต้นไม้เถอะนะป่านนี้คนว่าคนก็อยากรวยเหมือนแม่ผัวเหมือนกันเะแต่ได้เอ้าทีตรงไอ้ผู้ผัวน่ยก็อยากจะรวยเหมือนกันเหมือนกันไออยากจะรวยเหมือนกันลูกสะพ้ยเนี่ยก็อยากจะรวยเหมือนกันแต่ได้ก็ให้ผัวตัวเองไปมัดใส่ต้นไม้ป่านนี้พอตกเย็นเย็นมาเสือมก็มาอีกเหมือนกันงพอเสือมมาขาวเนี่ยมันก็จะกำหม่อมอีก ลูกขาเทวดาก็ไปห้ามมาอีกไปยศเสือให้คาดทดสอบลูกสะกอนว่าเขามีคุณธรรมไหมถ้าเขาไม่มีคุณธรรมเออคอยว่ากันใอรข้าพระเทวดาเนี่ยคุ้มครองคนมีคุณธรรมแหละคนไหนไม่มีศีลไม่รมเทวดาไม่คุ้มครองเลยตีนี้ก็เอาขนนกเนี่ยเอาปีกนกขนปีกนกแยงเข้าจมูกเลพอแยงเข้าจมูกลูกสะพ้าเนี่ย หัดช่วยหายทองอยู่ไหน <laughs> แยงแยงเข้าจมูกอีกเลยหัดช่วยหาทองอยู่ไหน <laughs> พราะมันพราะในใจมีแต่คิดถึงหทองเหมือนกันเถอะพ่อแม่ผัวได้หายทองเนะี่ยแย่ที่อะไรก็มีแต่ว่าคิดหาไหายทองเหมือนกันเลยลูกข้เทวดาเอ็นเอ้ยอันนี้มันยายนี่เป็นมันคนโลภนะวะคนไม่มีคุณธรรมมีแต่โลภอย่างเดียวเออ มันไปทางกิเลสมันโลภอย่างเดียวคิดค่าคนอื่นก็เพราะความโลภมาขนาดนี้มามัดติดต้นไม้ขนาดนี้ก็ยังคิดความโลภอยากจะได้หายทองอีกออลูกขาดเทียร์ดาก็เลยบุยปากเอาเสือกินไดอยู่นั่นบอกให้เสือกินได้เสือก็เลยกระโดดเข้ามากำหม่ำซะกินซะออพอกินเสร็จแล้วในทางสามีอยู่ในบ้านก็คิดแล้วว่าทาไม ทำไมเอแฟนของเราจึงไม่แบ ก, แบกไม่แบกหาทองหาเงินกลับมาบ้านมาจะได้ก็เลยไปดูดูพอไปดูเห็นแต่โครงกระดูกว่างั้นเถอะเสือกินแล้วนั่นก็เลยหนุ่มวนี่เลยเสียทั้งเมียเสียทั้งแม่ว่างั้นเถอะเมียก็ถูกเสือกินแม่ก็หนีจากบ้านนี่แหละมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปโลก ทานโลกขึ้นมาแล้วเทวดาไม่คุ้มครองให้เป็นคนดีถ้าเป็นคนดีเทวดาจะคุ้มครองถ้าเป็นคนไม่ดีแล้วเทวดาอารักษ์ทางหลายจะไม่คุ้มครองเพราะเหตุว่าคนไม่ดีมีแต่ความโลภไม่มีคุณธรรมในจิตในใจแต่ยายแก่คนนั้นเขามีคุณธรรมนะเขารักโลกของเขาแล้วก็มีคุณธรรมในจิตใจอีก เาภาวนาของเขาอีกเวลาเขาจามเพียงเขาจามกันนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆออกปากนเทวดาก็คุ้มครองนี่แหละหลวงพ่อพูดเมื่อวานเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะพูดที่จะสมัครเป็นนายกก็ดีเป็นสอทอก็ดีให้มีคุณธรรมในจิตในใจถ้าว่าผู้ใดก็ตามไม่มีคุณธรรมในจิตในใจแล้วมนุษย์ก็ไม่รักเทวดาก็ไม่รัก ภูมิมะลูกขะาเทวดาก็ไม่คุ้มครองคุ้มครองคนไม่ดีถ้าใครทำดีแล้วเทวดาคุ้มครองถึงจะได้รบไม่ได้เราก็สบายใจได้แล้วก็เออดีเป็นบุญวัตาสนาบา ร, รมีของเราที่ได้เราได้ทำมาได้เป็นเจ้านายของคนถ้าไม่ได้เออเราคงไม่มีบุญวัตราสนาเราควรจะ ส, สร้างบา ร, รมีขึ้นมาอีก สังสมบลมีให้มากขึ้นอีกสังสมคุณงามความดีให้อีกให้มีเมตตาต่อคนให้มีการเกือ้อกูลหนุนอย่าไปเอารัดเอาเปรียบของคนเดี๋ยวก็บัลมีของเราก็แก่กล้าขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ถ้าเรามีแต่เอารัดเอาเปรียบมีแต่คดจะโกงเพ่อนมนุษย์เขาจะให้เขาจะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับเราได้อย่างไร พอเหตุไรเพราะเราไม่มีคุณธรรมในจิตใจถ้าเราไม่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วนั่นแหละเพื่อนมนุษย์ก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละอันนี้คือมาพิจารณาดูแล้วมันก็คนที่มีธรรมไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในกลุ่มชุมชนใดก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราขาดศีลธรรมจริยธรรม ในจิตในใจแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดเกิดเตือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นศีลธรรมหนึ่จำเป็นในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออีกต่างหากทายุคใดสมัยใดโลกทั้งโลกมีความเอือ้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเคารพหลักเหตุผลหลักเหตุผลคือหลักธรรมหลักธรรมคือความถูกต้อง ความถูกต้องถูกต้องขนาดไหนที่ว่าหลักธรรมหลักเหตุผลถูกต้องเดี๋ยที่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดไม่ผิดใครบวกเด็กบวกผู้ใหญ่บว ก, ยยบวกชนชาติชั้นวรรณะไหนบวกถ้าบวกตามนี้ไปว่าไม่ผิดนี่แหละคือหลักเหตุผลถูกต้องแต่ถ้าว่า บวกผิดที่ผิดทางเลหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นแปดเป็นยังไงผิดแน่นอนเหมือนกันเนี่ยถึงจะชาติชั้นวัฒณนะไหนบวกก็ผิดหมดเพราะเหตุอะไรเพราะไม่อยู่ในหลักเหตุผลนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหลักเหตุผลพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าศินห้านะอย่าไปล่วงละเมิดนะสินห้านะอย่าไปฆ่ากันนะคิดดูกันแล้วกันถ้าเขามาฆ่าเราล่ะ เรามีความรู้สึกอย่างไรเราไปฆ่าเขาล่ะเขาก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนี่แหละศีลศีลธรรมของพระพุทธเจ้าคือหลักเหตุผลเอาเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติส่วนแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าให้สอนให้คิดอีกนะันคือสมาธินะจะทำยังไงจิตใจจึงไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่สานจิตใจให้นิ่ง ให้จิตใจอยู่กับตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะให้ดูใจตัวเองถ้าคนมีสติสัมปชัญญะเหมือนกับคนเฝ้าบ้านอยู่ตลอดคนนั้นจะไม่เป็นบาปถ้าว่าคนปล่อยจิตปล่อยใจมากจนเกินไปมิตกกังวลเออละเฮ้ยลอยลมล่องลอยไปเรื่อยเพื่อเพื่อน่ะเป็นโรคประสาทหรืเป็นเป็นบ้าเปาเป็นบอได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติสัมปะชัญญะคนที่มีสติสัมปะชัญญะจะพูดอะไรก็มีสติจะทําอะไรก็มีสติเพราะมีคิดคิดซะก่อนสติอยู่กับตัวเองสติหยุดกับความคิดเนยเมื่อสติอยู่กับความคิ ด, คคดจะกระทําทอะไรออกไปจะพูดอะไรออกไปก็มีสติยับยั้งในสิ่งที่จะทําสิ่งที่จะพูดนั้นล้วนแล้วจะเป็น ผลทางที่ถูกต้องไม่กระทบตนและผู้อื่นเพราะกลั่นกลองด้วยเหตุด้วยผลจะก่อนยังค่อยทำยังค่อยพูดเนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราทุกๆท่านคือให้มีสติอยู่ที่ใจใจคืออะไรคือใจคือความนึกคิดนะนั่นแหละคือใจมโนก็ใช่วิญญาณก็ใช่ผู้รู้ก็ใช่ใจก็ใช่ เพียงแต่เรียกตามวัยพจน์เรียกตามแยกกันเท่านั้นเองแต่สรุปแล้วก็คือตัวผู้รู้รนั่นแหละคือใจในร่างกายของเรามีอยู่สองกายกับใจกายคือว่ารูปประธรรมใจนั่นคือนามธรรมแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสนใจให้ความใส่ใจให้ความสาํคาสคัญใจมากกว่า ร่างกายเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาคราวนี้ให้ให้มาศึกษาให้มาศึกษาเรื่องของใจจะทำยังไงใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แต่ถ้าว่าพวกเรามาแล้วยังมาคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นอันนั้นแปลว่าผิดที่ผิดทางเหมัน ไ, ไม่ได้มาทั้งที่พวกเราจะมาหาแก่นไม้กลับมาเอาใบไม้เ น, น กลับมามาอยู่ว่าแล้วทำไมเราจึงเป็นทุกข์อย่างนี้อาหารการบริโภคอย่างนี้การนอนอย่างนี้การเป็นอยู่ไม่สะดวกสบายอย่างนี้เราไม่คิดแต่ภายนอกอย่างนั้นแปลว่าเรามาหาหาเปลือกหากัะพีหาตะเก็ดไม้เราไม่ได้มาหาแกศ์ถ้าเรามาหาเก่ะพระพุทธเจ้าทรานสอนยังไงให้เมื่อมาอยู่ป่าอย่างนี้เมื่อมาอยู่ป่าอย่างนี้นให้ทำยังไง ดันวาให้เดินจงกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทธโธพุทธโธเดินนานเท่าที่จะนานได้จากนั้นก็มานั่งนั่งขัดสมาธิเหมือนกับพระประธา น, นยที่พวกเรามองเห็นขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุธโธพุธโธแต่ถ้ามันยังมี จะแวะออกไปอยู่มันยังเผลอออกไปอยู่ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในใจขณะที่จิตคิด เ, เอาพุทโธสำทับเข้าจุดนั้นแต่มันยังมันยังมีช่องอยู่ๆเอาทดลองนับดูซิบางคนเพราะเราเคยนิสัยของคนเราเนี่ยเราเรียนคณิตศาสตร์มามากต่อมากทดลองนับดูซิหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าหานับ เวลาหายใจกับเข้าสี่หายใจออกห้าหายใจเข้าหกหายใจออกเจ็ดจนถึง 100. รอ้อยเผลอไหมถ้ามันเผลอจะรู้ได้ยังไงถ้ามันเผลอเนี่ยเวลาหายใจเข้ า, าหายใจเข้ามันเลขขี้ใช่ไหมล่ะหายใจออกเป็นเลขคู่ใช่ไหมเวลาหายใจเข้ามันจะเป็นหกสิบสองหายใจออกหกสิบสามยแสดงมันมันผิดที่ผิดทางล่ะเอาตั้งต้นไหมนี่แหละ เราทดลองนี่เป็นการทดสอบทดลองจรุปแล้วก็คืออยากจะให้รู้่ให้มีสติเรามีสติดีขนาดไหนถ้าเรามีสติดีนับไม่หลงนับที่ไรไม่หลงถูกต้องสักสามสี่ห้ากดปดครั้งสิบครั้งจากนั้นก็บริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโรมีสติสัมปชัญญะในเมื่อมีสติดีแล้วจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่าย ขั้นตอนแห่งความสงบเนะี่ยยังค่อยว่ากันอีกต่อไปเป็นยังไงแต่ตามมจริงถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เราปลูกต้นไม้อย่างนี้เราปลูกมะม่วงอย่างนี้เราไม่ต้องบาลายแล้วมันใหญ่ขึ้นไปแล้วมันจะต้องขาดน้ําก็ต้องเป็นดอกเป็นผลเวลานั้นต้องเป็นเม็ดเป็นหน่วยเราไม่ต้องผูดเราเพียงจะรักษาต้นมะม่วงให้ดีใส่ปุย๋ยใส่น้ําให้พอเหมาะให้อยู่ในอากาศโล่ง ดูมะลงมลแรงอย่าให้มันมากัดใบมันต่อไปมันใหญ่มันก็จะให้ผลเองนี่ก็เหมือนกันเรานั่งภาวนากันอย่างนั้นเราพยายามนั่งภาวนาอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปจะค่อยมาพูดกันเถอให้บริกรรมพูดโทย่างที่ว่าวัดเนตรได้สอนให้พวกเราได้ฟังว่วิธีการปฏิบัติเอาสามอย่างนี้ก่อน เพียงสามอย่างนี่ก่อนอันแรกก็คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันที่สองก็คือถ้ามันยังมีช่องว่างให้พุทธพุทธพุทธพุทธขณะที่จิตเรานึกคิดอันที่สมก็คือให้พวกเรานับหนึ่งสองสามถึงถึงร้อแล้วก็นับหนึ่งสองสามถึงร้อยมันเพล๋อไหมถ้ามันไม่เผลอเลยก็แสดงว่านับถึงร้อยได้หนึ่งนาทีแล้ว สติของเราดีหนึ่งนาทีไม่เผลอเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะลูกหลานทุกองนะภาวนาเรามาปฏิบัติเรามาภาวนามาคราวนี้มาภาวนาไม่ใช่มาอย่างอื่นเราวข้าพเจ้าจะพยายามทําให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดต้องตั้งใจอย่างนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอเลยทดลองทนะีแต่ฉันจะหันเข้าไป เดินเข้าไปกุติทำกิ จ, จวัตรเสร็จแล้วก็เอ้าดูใจตัวเองเข้าไปเจ้าจะไม่ให้เผลอเล ย, ยทดลองดูสินี่แหละเป็นการฝึกหัดเรื่องกิตภาวนาพวกเราให้ทำให้ฝึกอย่างนี้นะอันรับพรอนุโมทนาให้พร